เรื่องเวชนดอนปริทัต์ตอนที่ห้าโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเขาได้ปอนมาหลายกันตั้งแต่ทัศพรหิมาพานทา น, นากันแล้วเราก็จะมาูศวันประเวทวันประเวทนี้ไม่ยาวมีทั้งหมดห้าสิบเจ็ดคาถาแต่ตอนนี้ก็อยากจะขอเวลาปริ ปริทัศน์สนอยพอใช้เวลาพูดมารวดเดียวนี่สามกันเราจะพูดกันในเรื่องเวสนนันดรปริทัศน์กันอยู่แล้วคาว่าปริทัศน์นะปริแปลว่ารอบแปลว่ายิ่งก็ได้ปริยิ่ ง, งรอบทัศน์นะแปลว่าดูให้รอบดูให้ทั่วดูให้ยิ่ง เวสันดรปริทัดกันไปวัดดูกันให้รอบดูกันให้ทั่วดูกันให้ยิ่งในเรื่องของพระเวสันต์ น, นี่ว่ามันมีอะไรเพราะฉะนั้นการปราถกาธรรมนี้จึงมีชื่อว่าเวสันต์ปริทัศน์เราพูดกันมาแล้วสามกันตั้งแต่ทัศพรนิมาพานตานักันเจ้ ก, ก้าเข้าสวรรประเวสันี่ก็ขอหยุดปริทัศน์คือปอเปลือกซะหน่อย สามกันที่ผ่านมานั่ยเราว่ากันแต่เป็นเรื่องเรื่องเรื่องราวภายในกันนั่นๆแต่ก่อบางครั้งก็บริทัด ก, กันไปบ้างแล้วอาจามานี่อยากจะทําให้ญาติโยมได้เข้าใจยิ่งขึ้นเพราะว่าธรรมดาแล้วเนี่ยเรื่องราวต่างๆมันมีแก่นมีสารมีเปลือกมีกระพี้พัดุงกันไว้จ่อ เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าหากจะมีแต่แก่นเลยไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้ต้นนั้นนั้นต้นไม้นั้นก็จะตายภาคอีสานเราเรีกว่าตน้นใหม่แกหลอนตายแล้วแต่หึงแต่ถ้าหามีแต่เปลือกมีแต่กระพี้ไม่มีแกน่นก็ไร้สาระไร้ประโยชน์ถูกลมพัดมาเกาะขนลม้มเท่านั้นเองไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งใหญ่ไม่มีแกน่นก็ยิ่งไม่มีประโยชน์ยิ่งจะหักโค่นง่ายนี่ก็เหมือนกันเรื่องราวในศารา น, านั้นเรื่องที่เป็นแกน่นเป็นแกนเป็นแกน่นเป็นสารเป็นเอซเซนเป็นหัวใจ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 มีนแคลนชาดกเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆโดยเห็นว่าเป็นเรื่องเพ้อเพฟันฟันขาดน้ําหนักแต่งกันมาเล่นๆหรือว่าหัวให้ืวันฟังสนุกสนานหม่เป็นเรื่องจริงจังอะไรเนี่ยหากจะปล่อยให้เป็นไปทํานองนี้เรื่อยๆก่อนหน้าวิตกว่าคำผีศาสนาคำผีนี้หรือว่าชาดกอื่นอีกเก้าชาดกในทัชชาติเนี่ยก็จะกลายเป็นเพียงเศษกระดาษสึ่งก่อไม่มีประโยชน์อะไรอาจจะเป็นไปเร็วๆนี้ในไม่ช้าเนี่ยเดี๋ยนี่ พระสงฆ์เจ้ า, จาบางองค์ก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วทั้งหมดนั่นก็คือมองกันในแง่เปลือกถ้ามองกันในแง่แกันซานแง่กับพี่นี่จะต้องมองจากเปลือกคลุเข้าไปพอเห็นนี้อาตมาภาพจึงจะไขขอสอดแทรกคติธรรมถึงแฝงซ่อนอยู่ในเขาเรื่องปังขอหยิบยกออกมาวิจาร์ตามสติปัญญาเพื่อนําความสํานึกของท่านผู้ฟังเข้าถึงสารประโยชน์อันจะเป็นความมุ่งหมายของนิทานศาสนานิยาศาสนานี ไม่ไว่าจะเป็นพระสูรหรือชาดกตลอดทั้งนิยายสาทบชันหลังๆก็ล้วนแต่มีสัจจะคือความดีความจริงแฝงฝากไว้ทั้งนั้นจะพูดง่ายๆก็เปรียบเหมือนผลไม้ที่มีรสชาติอ ร, อร่อยเนี่ยย่อมมีเปลือกมีอะไรหุ้มอยู่ยิง่งมีอ ร, อ, รอร่อยเท่าไรก็ยิ่งราคาแพงเช่นทูเรียนหรือว่ามังคุดเนี่ยราคาทูเรียนแพงนะแต่ถ้าใครจะไปงับกินทั้งเปลือกมันก็จะบาดปาก ทั้งน้ำอะไรทั้งเปลือกแข็งแ็งทั้งนางพอโอ้ยบอเป็นแต่สแตกเด้อทุเรียนกูพันลงมาเสือกินเห็ดยังมังคุดอย่างนี้งา่าพอไปทั้งเปลือกพอเห็นนั้นเราจะต้องปอกผู้บริโภคที่ฉลาดหวังจะได้ลิ้มรสอันแท้จริงให้ได้ก็ต้องอดทนพยายามปอกพากันหน่อยข้อนี้อุปมาชั้นใดเรื่องนิยายศาสนาก็อุปมาฉันนั้นจึงมีคําว่าปริทัศน์ขึ้นมาอาตมาต้องการอย่างนี้ จิงเรื่องมีสารประโยชนก็ยิ่งพลุงพลังกันไปใหญ่เลยชักชนให้คนบางประเภทเห็นว่าเพอเจิอเล้ยวไร้ไร้เหตุผลแล้วก็ประนามนิยายศาสนาต่างๆว่าไร้คุณค่าหารู้ไม่ว่าเรื่องพิลึกกึกือพิลึกพิลันต่างๆในนิยายนัน้นเป็นเปลือกที่ไปดุงรักษาไว้ซึ่งสัจจะคือความดีคนประเภทนี้เปรียบเหมือนคนกินทุเรียนกินมังคุด โดยกระโจมงับกัดเข้าไปทั้งเปลือกนอกจากไม่ได้รับรสหวานอร่อยแล้วปากยังจะต้องเจ็บเป็นบาดเป็นแผลเกิดทุกข์ทษที่พุทธเจา้าบอกคูทภานีปากเหม็นเลื่อนทัน ด, ดีไปหาวันเรื่องไม่มีประโยชน์ต้องแต่งกันขึ้นมาเฉยๆอย่างนี้พระพุทธเจา้าบอกคูทภานีก็ได้นะ <c oughs> หลายลองคิดดูมันเกิดทุกเกิดโทษจากป่าเพราะกินไม่เป็นรสอร่อยแล้วไม่ได้พอป่าก็ยังต้องเจ็บยังเกิดทุกเกิดโทษเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะโทษว่าทุเรียนไม่ดีมังคุดไม่อร่อยนี่มันผิดหรือหรือว่าจะโทษว่าเราโง่ท่านตั้งหลายก็ก็ลองนึกดูก่อนแล้วกันไม่ต้องอธิบายให้ช้ำใจกันมากไปเปลป่า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 ตอนที่กล่าวถึงพระราชาธิดาของกษัตริย์พันธุมาราชถวายจุนแห่งจันแก่พระเจ้าวิปัสสีแล้วนางก็ตั้งจิตอธิษฐานที่จะได้เป็นมารดาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งตอ่อหน้าพระพักของพระศาสดาวิปัสสีแล้วพระองค์ก็บอกว่าขอความปรารถนาของบางออนจงสําเร็จเรื่องนี้ก็ปรากฏต่อมาว่านางนั่นก็แต่มาอุบัติเกชาดแล้วฉาดเหล่าเป็นสตรีที่สูงสักมาเป็นเทพอปิส้รนบริวารมาเป็น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 ตัวอย่างในชีวิตจริงนั้นก่อไม่ได้คิดที่ไหนหรอกก็ถือเอาตนเองนี่แหละเป็นพื้นฐานขอบคิดบางคนถึงกระบนว่าทําบุญมากก่อมากแล้วทรัพย์สมบัติก็สิ้นไปสละไปทําบุญก็มากมีข้ามากกว่าจุนจันของนางพุดสดีเสียอีกจุนจันนางพุดสดีพอเอ็ดเนี้ยนี่นหน่อยหนึงสมศิมาดีเอากระดอกกันเดียดแต่จนได้เป็นแม่ของพระเจ้าคอยรีสร้างบุญกระถินมาทระใดแล้วให้ทานวัดนู่นวัดนี้ ให้มามากแล้วเลขเธอเดียวกับบทเธอนี่มันจะคิดไปอย่างนี้ไม่เห็นว่าบุญที่จะทำที่ได้ทำนั้นจะชให้เจริญร่บรวยถูกหวยรวยเบอร์บ้างเลยก่อนที่จะทบุญก็ตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งหลับตาพริมสาธถเดอ้เ อ, อขอให้ผู้ขาดถึงเลขรดตะลี่รางวัลทีน่หนึ่งเลขตายสามโต คูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนเขาเล่าลือว่าอยู่าไหนเฮ้วหนภูไหนปีนป่ายขึ้นไปไปทำบุญเหื่อห้อ ย, อยหูปับปับจนจะเป็นลมตายไปแล้วก็ปาธนาทำบุญก็ให้ผู้คาถือเรียกแล้วเ้อานฝันอย่างเนาะเขาหน่อยเนี่ยมันเป็นตัวอย่างนั่น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 ตายเป็นลากบังตายเป็นลูกหลอกลูกเกาะอย่างนี้ลูกลาบก็ผือพาให้พอ่อให้แม่นี่ต้องเ็ดเนื้อยระดำลําบากต้องเที่ยวตามแก้ไขเรื่องยุกหยุกตีหัวบ้านผ่านหัวเมืองตี <c oughs> หัวมาด่าแม่ชาวบ้านไปถั่วแล้วก็มีเรื่องมีลาวเอาบุญสนสนุกมีนังที่ก็ไปตีหัวชาวบ้านพอต้องไปเสียเงินสองหมืน่นสา ม, มืน เนี่ยเดี๋ยวไปให้เขาตีหัวตนเองเอีกเข่าเข่าตะลานเอาต้องไปว่าความกันหัวพังไปหมดอย่างนี้ลูกอย่างนี้เรียกว่าลูกลากลากพอให้โตกระทำลําลบากต้องเที่ยวไปแก้เรื่องยุ่งยุ่งที่ตนลูกของตอนได้ไปเกาะไว้ให้กลับคืนเป็นเรื่องดีลูกหรอกบางทีก็คือเลี้ยงไม่โตแม้จะแยกเ ย, ย้าแยกเลอนไปแล้วหนาที่จะพ้นอกพ้นใจเบาตัวเบาใจ ที่ไหนได้ไม่เป็นดังนั้นมันกลับมาปอกมาหลอกเอาข่าวเอาของสมบัติที่ตั้งใจจะเก็บไฟกินไว้ใช้ยามแกไปจานวนทีแม่ไข่แนะ่อีพอคข่แนะ่ไข่บวดไข่ตุกไข่หย่างมาปอกมาหลอกบางทีก็ข อ, ขอ ทิชเชยดอกพ่ได้เอาข่อยยืมของเจ้าไปจำน้าจำนองอันนี้นะจ๊ะหน่อยพ่อได้ใส่ยืมเงินกรเสริธนาคารเอาไปเอามายืมไปแล้วไปทําอย่างอื่นเอาแล้วพ่อแม่ไม่มีเงินไทยเงินทอนไรนาสาโทรเจ้งไปอย่างนี้เรียกว่าลูกหลอกหลอกหนังพ่อนังแม่สมบัติที่เก็บไว้จะกินก็หมดไปจนหมดไม่ให้ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นลูก มันลำบากยากจนพ่อแม่ก็ทนให้ลูกมันลอกเอาหลอกเอาอย่างนี้อย่างนี้เรียก ว, ว่าลูกหลอกพ่อแม่ก็ไม่ปาถนาดอกทาบุญก็อยากจะได้ลูกดีๆจากลูกหลอกแล้วมันก็มีอีกลูกเกาะคือลูกที่เกียจข้านการงานเมนเบือ่อเกาะพ่อเกาะแม่กินไปวันๆตื่นพรสวยสวยงาง่อยก้อ ย, อยแต่งตัวดิปนนันนายขี้ข้านแล้วเกาะได้พ่อแต่แม่หากินขี้ข้าน พ่อก็แม่กินไปวันวเป็นลูกที่เลี้ยงไม่โตซ้าบางครั้งยังทํำสมทะเลเทมอเป็นอันถาานสันดานเลวทําลายชื่อเสียงวงตระกูลสเสีอีกถูกจับกลุมคุมขังเข้าสู่คุกสู่ตารางซึ่งคุกตารางไม่มีใครปะทะน้าจะเฉียด ก, กลายเข้าไปไกลพอถือกันว่ามันเป็นแดนแห่งความเสน่ห์จังไรแต่ลูกของเรามันไปรโยชน์นนั้นพ่อแม่จะใจเจือใจแข็งพอหรือัวเสันห์จังไรอยู่ได้หรือ ต้องก้มหน้าก้มตาเดินไปพยายามลูกไปยืนร้องให้เกาะลูกกงเนี่ย ห้องขั้งเยี่ยมลูกเขายังไม่ทันได้เปิดให้วันนี้ไม่ใช่วันเยี่ยมก็ไปเกาะลูกกงอย่างนี้เลยว่าลูกเกาะหลาพอล่างแม่ไปเกาะลูกกงโอ้ยอดเอาเดือดลาเดือเจ้าเห็ดบอดีบ่อน้ำนี่เลียบแบบกำเจ้าหม้อเมฆกับซอยเจ้าบา่ได้คือทอดเจ้าเด้สินตอนน้าปลาตอนไงแม่หามาเลี้ยงพ่อหามาให้กินตอแตนเนี่ยมันตอด เ, เนี่ยมันหายพอกับแข้งไปไปจุดไปยังมาปั่นกินเลี้ยงแล้วสร้างบ่ได้อกได้ใจเนาะสร้างบอดีคือหลอกไทยบานไทย้ง โลูกเอ้ยคุกตารางพอบอยจากมาไก่พอบอยจะเห็นจักเทือพอก็ได้มาขอบเจ้าเลยไปเกาะลูกกองร้องไห้ตอนลูกนี่เป็นอย่างนี้ยืนร้องไห้เกาะลูกกงห้องขังเยี่ยมลูกอย่างนี้เรียกว่าลูกเกาะลูกที่ทําให้พ่อแม่ต้องเข้าไปเกาะสี่กองที่คุกที่ตารางนี่ว่ากันในส่วนโลูกหันไปดูพวดูเมียที่ได้มาบ้างแล้ว ห่างไกลลีบกับคําอันธิทันเลยเกินไม่ใช่เป็นคู่สร้างคู่สมขู่ทุกคู่อย่างเหมือนเคยฝันเอาไว้ว่าจะได้มันหวานชื่นรื่นรมอยู่ชั่วไม่กี่วันแรกๆยามรักน้ําต้มผักก็หวานพอเนิร์ดนานน้าตาลน้ำอ้อยก็กลอยขมเนี่ยเป็นอย่างนั้นบางทีน้ําสังยังไม่เหือดแห้งรักก็มาแรงโรยราแทนที่จะเป็นคู่ สร้างคู่สมคู่บุญคู่กรรมคู่บุญบารมีคู่คุณงามความดีกับเป็นคู่รักกรรมกับเป็นคู่ชอกคู่ช้ำคู่ระกรรมคมคืนคู่เวนคู่กรรมกันไปเป็นอย่างนี้เคยชื่นเคยชมกายเป็นชอกเป็นช้ำกายมาเป็นคู่เวนคู่กรรมคู่ล้างคู่พานตำเลอดตบตีกันไม่เว้นแต่ละวันข่าวของหม่อแหกแตกกระเซ มุนวายใส่ผงมอดถวยโตโอจานที่ซื้อสัตว์รับใช้ใส่ข้าวใส่แกงให้กินเข้าไปดูว่าดวงวันงามพิดกันพระพเตแตกพินาศบ้ามันไม่เหมือนที่อธิษฐานใจเนี่ยผัวเมียเขาทุบตีกันประชดประชันกันอะไรกันแต่เอาเถอะถึงคนเจนเนและคนบันอย่างไรควา ม, มวิวาทชิพหายก็ไม่ใช่เป็นของข้าวของแกงเป็นของถวยโตโอชามมันเป็นของผู้ที่ทุบนั่นแหละเดือดร้อนต้องไปหาซื้อใหม่เป็น ความอักตันยูที่ให้โทษอย่างทันตาเห็นมีว่ากันในส่วนที่เป็นคู่เพรตัวเมียแต่ก็ไม่ได้เมาทุกคู่ทุกคนหังน้าพูดถึงบางคนเท่านั้นสําหรับคู่เว้นคู่กาคู่ล้างคู่พานส่วนคู่เด็กเขาดีคู่คนงามความดีคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีคู่สินคู่ทําซาบีเดินหน้าพระลดายาเดินลังจูงแขนกันเข้าวัดเข้าว่าแ่าแกชะแลโอยหนังโวยลูกโอยไปทุกท่าเถื่อยไปวัดพอเฮ้า เดี่ยวเมืองอุบนก็ไปวัดน้องปาพงวัดปาน า, น า, นาชาดยวัดไข่บ้านในไปวัดนั่นทั้งพวดทั้งมีถ้าอย่างนี้เีย ว, ว่าคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีคู่คนงามความดีคู่สิ้นคู่ทามเรียกว่าเป็นเรื่องของคนงามความดีคนสองประเภทนี้มีทั้นาทางจิตใจ ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนะคนหนึ่งเป็นขู่ร้างขู่พรานขู่เวรคู่กรรมอีกคนหนึ่งพวกหนึ่งเป็นขู่บุญขู่บารมีมันเหมือนกลางวันกับกลางคืนที่เราไปดูฐานะทางจิตใจของคนประเภทผิดฝังในการอธิษฐานบังว่าเป็นยะอั้งเฮ็ดบุญก็เฮ็ดมาพอแห่งแล้วที่เขาเคยสากมาจังบ่เป็นจังความคิดความปรารถนาชีวิตความเป็นอยู่ของเขาของคนอื่นทําไมจึงราบหรือเหรือเกิดหรือได้รับผลสมอธิษฐานเหมือนพระราชชติดากษัตริย์พันธมราช นั้นทำไมคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นแต่เราทำไมจึงไม่เป็นอย่างนั้นนางพุทธดีไปทำทานดอก องจุนจันแอะแงะหนึ่งเมื่อคือมันดีเอากรดอกกะเตียแทะจนได้เป็นแม่พระเจ้าสมปทานาข้อนี้จะขอยกเอาพระพุทธภาเิษพุทธพุทธิพุทธจารัดแก่พิสุทธิ์ทั้งหลายมาสแสดงไว้ให้่ันคิดเอาเองมีเยีความพระบาลีว่าตัญจะโคสีลวัตโตปนิทิโนทุศิละสะอิชติภิกเวสีลวโตเจโตปนิธิ มีคำแปลเป็นภาษาไทยของเราว่าความตั้งใจของผู้มีสินย่อมสําเร็จแต่ความตั้งใจของผู้ทุศินนั้นไม่สําเร็จดูก่อนพิสุตั้งหลายความตั้งใจของผู้มีสินย่อมสําเร็จแน่นี่เป็นคําสั่งสอนของพุทธเจ้าเป็นพุทธพจน์คําว่าทุสินใจควา ม, มง่ายๆก็คือป่าพืชชั่วความตั้งใจก็คือการทําทใจเลืออธิษฐานจิตนั่นเองจงพิจารณากันดูเถิดขอย้ําแต่ว่าพระราชาชิต พระราชที่สำเร็จความปรารถนานั้นพระองค์มีสินมีธรรมสักขนาดไหนพระราชธิดากษัตริย์มทุมราช ที่ได้เป็นนางพุทธศีนั่นเป็นผู้มีศีลไม่เคยประพฤติชั่วตลอดมาทุกภพทุกชาติเราต้องการให้บุญฐานการบริจาคของเรามีฤทธิ์สำเร็จผลให้สมเจตนาเราก็ต้องประพฤติตัวของเราให้บริสุทธิ์ปราศจากความชั่วสุดทินังวัฒทานังของทานอันบริสุทธิ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์มีจิตใจบริสุทธิ์แลว้วก็สมาทานศีลรักษาศีลควบคุมกายวาจาบาใดมือนีมือใหม่ก็ยังมีหลายปีหลายเดือนไป หากสิมีไปดอกเราอยู่ในสินในธรรมอยารีบร้อนชิงสุกก่อนหามอยากได้ไวๆทำบุญมือนีจากถึอเลขมือม่นมันบดถือบอกเอ้ยบุญบดส่งหนูสู้ให้เห็ดจังใดบโบเห็ดหว่ามันก็สร้างดอกบุญบางคนใส่ชุดขาวนะจำสินก็จำมาแล้วชุด้าอุโบสดสินแปลงก็จำมาแล้วบปเห็นมันดีอะไรจะขายชุดเขาวเนี่ยมีอย่างนี้ก็ดีอยากจะกล่าวคติทรรต่อวอื่นอีกแต่ก็จำต้องงดไว้พางก่อนเดี๋ยวเรื่องจะไม่เดิน จากการถูกในประเทศประเวสสันดรก็ส่งพานางมัธยชาลีกันฮาไปเข้าเขาวงกตไม่มีปารณะเพราะว่าสละเป็นทานเสียหมดแล้วต่อตอนี้ก็เข้ากันวันณับระเวสไปว่าปราพาดป่านะวันณ่ะไปว่าป่าวันนะวันนะ พระเวทก็ไปว่าไปประพาสป่าออกแกบ้านไปป่าหรือว่าเดินไัยสีกัตริย์เสด็จเดินด้วยพระบาทเนื่องจากชาลีกันหาอย่างน้อยเสด็จดำเนินไม่แข็งแรงพระบิดาและแม่จึงแบ่งกันอุ่มพระเวทสันดอนอุ่มชาลีนางมัธีอุ่มแก้วคันหาในมหาชาติท่านสอนอย่างดีเลยมันเป็นอย่างนี้ ถ้าเป็นทานองมหาราชคำหลวงก็ยืดเยื้อกันหน่อยเตะธารกาควรที่จะสงสารโดยสองกุพาพานผู้เพื่อนอยากกล่ามีเคยเสวยทุกข์ลำบากมาบุกภัยน้ำอสุชนในไหลน้องพระเนต ท, ทรงพระโศกอาดูนเทเวศบอกว่าไ้ควรว่าเขาไป น, นั่นเขาแต่งเป็นสำนวนมหาชาติคําหลวงคนสมัยเดี๋ยวนี้จะฟังไว้พอเขาใจจะเป็นวายอีกอย่างละันทางภาการเทศอย่างนี้ มันเป็นถ้อยคำของคำหลวงของราชามหากษัตย์ในผู้วในวังท่านแต่งขึ้นมานู่นสมัยเริ่มรัตนโกสินทร์น น, น สมเด็จพระบิดาก็ชี้ชวนให้เชิญชมพนมพนัดแนวไม้วังจะได้ข่อยบรรเทาภัยที่ทุกข์ทึงพระนครเตทเวทิสวาซ้องยาวราชได้เห็นก็ให้อาวอนวายทเวทพระพี่น้องก็ชวนกันพอดพันเอตนานะ้าก็ไปนั่นเอาละเนาะเราไม่ว่าพระมหาชาติคำหลวงเลยมันยากเย็นฟังแล้วมันเข้าใจยากไม่ทันออกทันใจว่ากันไปเลยดีกว่าทีนี ทั้งสองนี่ก็เดินป่าโดยเฉพาะกันหาซาชาลีนี่เกิดมาไม่เคยเข้าป่าดงพงไพไปเห็นผลหมากล า, ากไม้ก็อยากจะกินอ่อนวอนคุณพ่อขาคุณพ่อขาคุณแม่จา๋านั้นลูกอะไรแดงนะกินแท้ลูกอยากจะกินโดยไม่รู้เลยว่าพ่อแม่กาลังทุกข์ยากลําบากแค่ไหนนี่แล้วนะปราษาเด็กว่ากันว่าในตอนนี้อยากจะได้กินลูกอะไรนั้นเทวดาก็ช่วยเดลามิตรให้ต้นไม้สองข้างทางนี่เมื่อปรารถนาลูกได้ก็โนื้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 ที่บรรยายผ่านมาแล้วอย่างเดียวในตอนนั้นปรากฏว่าพระนางได้กาวทูลพระเจ้าสนชัยว่าเหตุที่นางอยู่ในหวังไม่ได้ก็โดยกลัวว่าจะต้องเป็นไม้ซึือในประเทศอินเดียถือมากตายเสียดีกว่าซึ่งเป็นภาวะแห่งชีวิตที่โลกผู้หญิงของชาวอินเดียหรือชมพูทวีบครั้งกันโนนถือว่าเป็นผู้มีกรรมและจะต้องทนไปอย่างหนักตลอดชาตินี้อะไรผัวยังไม่ตายจะให้กันเป็นไม้มันทนไม่ได้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 ไม่ควรจะหัวเราเยาะคนในสมัยนั้นก็อาศัยพระเจ้านี่แหละคนสร้างพระเจ้าขึ้นมาในจินตนาการหรือพระเจ้าสร้างคนก็ตามเถอะแต่สังคมก็ยังไม่มีความสุขความสงบร่มเย็นพระเจ้าก็เป็นสิ่งมีคุณแก่สังคมแน่ๆมนุษย์เนี่ยแต่ถ้าว่าใจความในตอนนี้แสดงเห็นทำนองนี้ไว้ว่าได้ซองให้เห็นน้ำใจของนางมัทกี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 มีพัฒนามาไกลแล้วอยากจะมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับบุรุษว่าเข้าไปนั้นไม่ต้องขึ้นน้ำจะกุณจากัวเดี๋วนี้เป็นกระทั่งรัฐมนตรีเป็นกระถังประธานาธิบดีเพรสเดนมากาเลเทเซอร์อะไรต่างๆในประเทศไทยก็มีกระทงังรัฐมนตรีหญิงเดี๋ยวนี้มันก้าวไปไกลถึงขนาด น, นั้นแต่สมัยก่อนนะั้นมีเพียงเท่านั้นที่ว่าอิทธิพันธ า, นามุตตะมังผู้หญิงเป็นเป็นของคนอื่นอยู่อย่างยิ่งตลอดการ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 ขัน ย, ยมพุทธบริษัททังางยจงเข้าใจว่าเป็นเกียร์ทางธรรมชาติเป็นเพศที่วางรากฐานของประวัติศาสตร์โลกโลกทุกยุค ท, ทุกสมัยน่าจะประสบยุคเข็นหรือสันติภาพที่เ ห, นเหน็นกันก็เพราะว่า น, น้ำมือของบุรุษคือบรรดาคุณศึกและรัฐบุรุษทั้งหลายแต่ถ้านึกให้ลึกลงไปลึกลงไปสิ่งใดเล่ามาเป็นพลังให้มือบุรุษเคลื่อนไหวไป อย่างในเรื่องผู้ชนะสิบพิษคนรักโดนลังแขคาจะเผาเมืองเปรยให้พินาศปวดรายเห็นไหมเขาร้องเพลงไอ้ที่เผาเมืองเปรย์เน่ะเบื้องหลังก็คือผู้หญิงทั้งนั้นโลกที่วุ่นวายขัดข้องีนดูดีๆผู้หญิงทั้งนั้นมันสมองของบุรุษนุนความคิดของบุรุษเนี่ยมันมาจากเรื่องของผู้หญิงทั้งนั้นผู้หญิงจริงถือว่าเป็นทิศเบื้องหลังผู้ชายไปทํางานซาอุดีอาระเบียไปอิรักอีลา น, อลา น, อลานจอแดนที่เขาลบกันเอาชีวิตกับเป็นแหลกไปเสี่ยงลบเสีย ตายัก่อเพราะผู้หญิงท้งนั้นเพราะเมียเพราะลูกทั้งนั้นจึงถือว่าทิศเบื้องหลังได้ทีหลังแต่ยังไม่พอยังดันหลังผัวนี่ให้เดินไปข้างหน้าขุนศึกลบลาค่าฟันกันแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตคทุก ว, วันนี้เราจะเห็นได้มันยิ่งใหญ่แค่ไหนปัญหาวุ่นวายแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่สุดท้ายมาแย่งคู่กันพิศวะ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 บันดาลความเป็นความตายพินาศายนะและความรุ่งโรจน์ให้ปรากฏแก่บุคคลหรือแผ่นดินแม้แต่ประเทศชาติมากมายมาแล้วและมือนั้นก็คือมือของมีเพราะเหตุนั้นเองพระนางมัทธีที่เป็นมือที่นิ่มนวลที่สุดที่ทำให้พระเวทสันดอนต้องปลดไม่ลงปองไม่ได้ในที่สุดก็ มบกันบุงยังบุงยังเข้าป่าเข้าไพรจะพูดไปก็จะกินเวลา ม, มากม า, กายกายกองอะไะเนาะแล้มาเดินดูเข้าไปชัดๆในเรื่องนางมาทีนี้ก็พอจะเห็นได้ว่ามัททีนี้น่าจะเป็นเมียตัวอย่างเพราะว่าพานางเห็นสามีของพานางเนี่เป็นผู้ขลังผู้น่าอัศจรรย์จุดเสมอการมองคู่ชีวิตเช่นดีมีคุณค่าแก่การของคู่อย่างเหลื่อหลาย ท่านสาทุชนที่เป็นผู้ของเย้าของเรือนทั้งบัวทั้งเบียดน่านะจะมองกันเป็นคนคลัง่งเป็นคนศักดิ์สิทธิ์น่าอัศจรรย์อยู่เสมออย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นภรรยามองสามีหรือสามีมองภรรยาในชีวิตของสามัญชนเราหากมองคู่คร อ, องของตนตนในแง่ดีเห็นแต่ความดีของแต่และ ก, กันอยู่เสมออย่ามองหาความชั่วของตนคู่ชีวิตการครองรัก ก็ย่อมจะมือนมีเท พ, พเจ้าคุ้มครองอยู่เสมอไม่มีโอกาสจะแตกราวเบื่อนหน่ายไม่ต้องมีเรื่องอืดเช้าหน้าอับอายเพราะการเปลี่ยนแปลง ย, ย้ายถ่ายเทกันบ่อยๆข้อสําคัญสามีภรรยาส่วนมากมักจะขาดความคลั่งต่อกันแหละกันอาจจะเพราะความเคยชินหรือรู้จักกันหมดเปลือกจนเกินไปก็ได้จึงทําให้เหตุว่ากูชีวิตขาดความคลั่งชวนให้ไม่อัศจรรย์อะไรไป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 ถ้ากร้อนก่อนเย็นเป็นชีรังจะได้นั่งนอนเย็นเป็นแล้วดีตานเป็นโจรเป็นขอทานเป็นยาจกช่างมองมัวลามกเหมือนซากผีถึงจะเป็นก็เหมือนตายวายชีวีตองอาพับอับปรีจนวายปรานไม่เห็นไหมล่ะนางมาทีนั้นไม่ยอมถอนตัวตีจากพระเวสสันดรตามพระองค์ตกต่าเข้าตาลายยังไงก็ตามพวหาทั้งสองพระองค์ได้วางตนเป็นคนใหม่เอี่ยมต่อกันอยู่เสมอ จึงไปเทศใหู้กพันต่อกันและกันแยกกันไม่ออกจากนครศรีพีเฉดตุรดศรีวิราชเสด็จผ่านป่าเขาเข้าป่าเขาสวนในคีรีผ่านแม่น้ำโกนติมาลาผ่านมารันชชีคีรีแล้วก็เข้าบ้านนาลิทันทะจนบนแล้วก็ถึงนครเจตลาดในวันนั้นประมวลระยะทางเดินแล้วนับว่าไกลมากแต่หาเทพยาดาสงคะการสเสด็จดำเนินของทั้งสีพระองค์จึงเป็นไปอย่างราบรื่น ปกติแล้วคนอื่นเดินอาจจะเป็นครึ่งเดือนที่เดินมันเดียก ว, ว่ากันว่าเทวดาช่วยคนดีเทพปยะดาย่อมพิทักษ์คุ้มครองสรรพระเวสันดรทรงนำพระเมเหสีโอรสธิดาประทับพักอยู่ศาลา น, นอกพระนครไปถึงก็ไปพักอยู่พระนคร น, น้ไม่อวดองค์ธนงตัวกลัวเขาจะรู้ว่าเรามาจากไหนแต่ว่านางมทีดิซี่ไม่ยอม แต่อยู่ข้างในก็ออกมาเดินเยี่ยงกายอยู่ภายนอกนอกจากเหนื่อยแล้วก็ยังนวดเฟ้นพระบาทของพัสดาบีบแข้งบีบขาของผัวเสร็จแล้วสเสด็จสถิตออกศาลาให้ปากฏวังให้เช้าเจตรารู้กำหนดว่าบรมหนอนนะเ็จเวสันดรมาสู่พระนคร น, นี้แ ล, ล้วแหล่หว่าที่จริงแล้วทั้งสองพระ อ, องค์นั้นมัน มีความคิดไม่เหมือนกันด้ตอนนังนพระเอกตันดอนไม่ต้องการเหตงใครรู้แต่นางมทัทธีนี่ต้องการเหตคนเห็นความเป็นจริงและทั้งสองพระองค์ขาดคิดเลยพระนางมทัทธีตั้งพระทัยจะแสดงองค์ต่อชาวเจดตลาดอยากจะให้เขาเห็นในขณะที่สามีต้องการปิดบังพระองค์แต่ชาติวิสัยเพชรพอยดียอมส่อนแสงและปิดบงังรุ่งแววไว้ไม่ได้ ชาวเมืองก็พากันออกมาตักน้ําป่าพืนพักผ่อนในยามเย็นนอกพระนครได้เห็นกษัตริย์ทั้งสี่เข้ามาเท่ดีไม่ใช่คนธรรมดาสแล้วสนใจมันไม่เหมือนคนธรรมดาเดินป่าเดินดงมาพักศาลา น, นอกบ้านในที่สุดก็เข้าไปทำเมื่อทราบแล้วต่างก็พากันแสดงความเคารพอย่างรู้สึกเศร้าในชะตา ก, กรรมของเสกษัตริย์เคยมีเกียรติะบือหรือลั่นพีเทศดตัดอนปัดลี ชะตาตกอับคับแค้นต้องถูกขับไล่สส่งอย่างนี้ราชวงศ์เจตราชจึงรีบเสด็จออกมาเชื้อเชิญเมื่อได้ยินชาวบ้านชาวช่องไปบอกให้มาเชื้อเชิญให้เสด็จประทับในพระราชดิเวทและต่างแสดงความเห็นพระไทยชะตาชีวิตของพระเวสสันดรหัวหน้ากษัตริย์รับอาสาจะไปทูลพระเจ้าสนชัยให้คลายความพิโรธและยกให้ภูงัยวากษัตริย์เจตราชิ้งเป็นเพื่อนกัน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 อย่าได้ไปขอยกโทษเลยพระองค์ยังพิโรธอยู่เพราะเวสันต์ดอนทรงปฏิเสธไม่ตีจิตของมิตรกษัตริย์นครนี้ราชาเจตาชจึงทรงหาทางอนุเคราะห์พระองค์ด้วยวิธีอื่นอีกคือทรงยินดีมอบพระนครให้ครองพร้อมทั้งสิทธิต่างๆอันจะเป็นเครื่องช่วยพระดุงคติยภาพฝอยเนื้อความในคำพีฉบับหลวงพูดไว้ยื้อยาพระพุทธเจ้า เมื่อมิพอพระไทยเสด็จขึ้นพิชัยเชษฐ์ตุดอนกอดตามแต่พระอัธยาสายจะขอเชิญเสด็จขึ้นผ่านนครเจตลาดพาหลาเป็นจอมวิ่งมงกุฎมาตุลานครเป็นปิ่นปกประชากรเกษมสุขมีให้เท้าเธอเสด็จไปทนทุกข์ที่กลางดงอันภ้าพระบาทจะขอรองบาทบงบรมกษัตริย์ผู้ง่ายๆว่าตนเองจะขอเป็นผู้รองกให้ว่าองค์พระเวสสันดรเนี่ยได้เป็นพระกษัตริย์ในนครนี้ก่อนแล้วกัน เห็นไหมมิตรที่ดีถึงยามตกทุกข์ได้ยากพูดอีกประการหนึ่งพระเวสสันดรเป็นนักปกครองชั้นดีนักการเมืองชั้นยอดเลยขนาดตกทุกข์ได้ยากขนาดนี้ยังมีคนเชิญึ้นไปปกครองพระนคร แต่ความตอนนี้แสดงเห็นน้ำใจไม่ตีจิตของมิตรเก่าไม่ได้ดูถูกซ้ําเติมยามตกต่ําดังขีดพระองค์ทรงวาดคาดล่วงหน้าไว้เลยว่ามีน้าซ้ํายังยินดียกบ้านยกเมืองให้ของเสีอเองโดยเจ้าตัวเองนี่จะยอมลดตัวลงมาเป็นผู้น้อยมองได้ด้านกษัตรตะะิย์เจตราะแล้วจะเห็นว่าทรงเล็งเห็นความดีของพระเวสสันดรผู้ง่ายๆว่าเชื่อฝีมือพระเวสสันดรว่าจะปกครองไพร่ฟ้านาประชาลัตได้ดีกว่าตนแน่นึงกับยอมสละตําแหน่งเหมือนทุกวันเห็น <c oughs> พอบอกว่าพลเอกชเวริยง <c oughs> ใจยุ่จะลาออกอย่างนี้อ้ยนักการเมืองเป็นสิบๆจะลาออกจากตำแหน่งให้บิจิวกว่าเขาไปนั่นเขาไปส้ำ ม, มากแทนคนดีอย่างนี้ใครๆก็ต้องยอมรับเอาก็ว่ากันไปพระเวสสันดรก็คงจะอย่างนี้เขาจึงเชิญให้ปกครองนคะรยกย่องเถิดทุนตนเองก็ให้เด็ดีจริงเถิดเนี่ยเป็นอย่างนี้ ฝีมือนั้นทัดดีเก่งๆยังไงยังไงเขาก็ต้องเอาอย่างคนตีจำลองสีเมืองอย่างนี้ซ้ำมากโอ้ยคนอื่นก็โจมตีทุกสิ่งทุกอย่างแต่คะแนนท่วมทนขอให้ดีจริงๆอย่าเป็นดีพอครึ่งครึ่งกลางๆความดีที่ดีที่สุดคือคนทําที่คนอบรมไว้มากไม่ได้ตกลแล้วผูอื่นเขาก็ยกจ่องเถิดทูนเองก็ให้ดีจริงเถินหน้าคนอื่นเขาเชียร์เองขอสาคัญ น, นั้นอย่ารู้สึกท่านลงตัวไปฝ่ายเดียวรอให้คนอื่นเขายกน้ามันไม่ทันใจก็ต้องมายกตนเห็น เองดีต้องกลายเป็นสภาพเหมือนกลองอับ ป, ปรีใครไม่ตีก็ดังเองอย่างนี้ไม่ไหวหันไปดูพระเวสสันดรบ้างทรงดีพระไทยในโชคลาภครั้งนี้ละสิหนาท่านทั้งหลายคงจะคิดว่าอย่างนี้เปล่าเลยพระองค์ไม่ได้รีบช่วยโอกาสอย่างที่คนบางประเภทคิดพระองค์ตัดปฏิเสธซึ่งท่านจะมามอบเมืองเจตราชให้แก่เราในครั้งนี้นั้นเราไม่ได้มีพระไทยยินดีที่จะสเสวยสิริราชสมบัติด้วยช้าเชตุดอนเขาแทน ขัดให้ครอบครองพระนครทั้งสองสิเป็นราชสัมพันธมิตรก็จะเกิดกนวิปริตร้าวฉานจากจารีบโบราณแต่ปางก่อนจะไม่สมักสมโอสอนเสประเพนีจะเกิดมหาโกราหนโกรีเดือดร้อนทุกไฟฟ้าประชาชีประชากรต่างจะมุ่งหมายประทุสร้ายกันจะเกิดมหาพิบัติภัยไม่มีความสุขเหตุด้วยเราผู้เดียวจะมาทำทุกให้ทันทั้งปวงเห็นไหมล่ะ พระเวสสันดรท่านมองการกลายเป็นนักการเมืองเพื่อการเมืองเป็นนักการเมืองเพื่อโลกจริงๆแทนที่ท่านจะดีใจรีบพระพุกุงเจตราท่านมองต่อไปว่าเราไม่ยินดีและก็ไม่ดีใจเพราะเห็นว่าเมื่อเราปกครองแผ่นดินนี้เจตราและศรีผีเชตดอนมีสัมพันธ์ทําไมตรีนคร น, นี้อย่างแน่นแฟ้นต่อกันเขาจะไม่พอใจเมื่อเราได้ปกครองเมืองนี้เพราะเขาไม่พอใจเราจากโนนมันก็จะเกิด กรณยุคจะลบลาค่าฟันกันตามมาล้างมาฆ่ากันอย่างดีคนอื่นก็จะเดือดร้อนทั้งหมดเดือดร้อนเพราะเราคนเดียวไม่เอาหลอกเราขอไปจุบ ป, ป่าอยู่ดองกันแล้วกัน บรรดานักช่วยโอกาสทั้งหลายเมื่อได้ฟังคำำําดํารัตตอนนี้แล้วเห็นจใจหายเสียดายแทนโอ้ยสะบงแท้สร้างว่าเอาฟาสิวาได้ฮะเนาะแต่ก็นั่นแหละก็ให้คิดดูเถิดเหตุผลของพระเวสสันดร น, นั้นไม่ใช่เป็นเหตุผลเพื่อความสุขความเจริญของพระองค์แต่เป็นเหตุผลที่เชื่อมโยงไปถึงความสงบสุขของผู้อื่นนี้เป็นมเมตตาธรรมอันเป็นเนื้อแท้แห่งพระไทยของพระเวสสันดรพระเมตตานั้นมีความสุขของผู้อื่นเป็นอารมณ์ส่วนการมีความสุขของตนเป็นอารมณ์นั้น ไม่ใช่เมตตามันเป็นความเห็นแก่ตัวไม่นะบ่าเป็นคุณธรรมที่จะให้ความสวัสดีต่อแผ่นดินหรือสังคมมันเป็นราคะหรือโลภะจริตอันเป็นสมุติฐานแห่งความเห็นแก่ตัวยิ่งใหญ่เป็นหัวหน้าแห่งความชั่วซึ่งก็มันก็เป็นวิสัยของนักเชื้อโอกาสทั้งหลายนั่นเองและนักเชื้อโอกาสที่ชื่นชมต่อความฉลาดของตนตนทํานองนี้แหละที่ทําให้โลกยุ่งทํำให้สินทำเสื่อมทมไม่ประเพณีกฎหมายบ้านเมืองทูกแล้เมือดหักล้าง ขอให้เราได้ขอให้เราเป็นก่อนแล้วกันคนอื่นจะดีแค่ไหนไม่มีสูดเราหาเรื่องฟ้องหาเรื่องดา่าหาเรื่องหักค้าเรื่องโขดอย่างเนี้ยมันก็เลยวุ่นวายสร้างกุกสร้างตารางไว้กักไว้กักขังเขาเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้ก็เป็นทางแก้ทางหนึ่งเหมือนกันแต่มันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุเรื่องปลายเห็นแก้แล้วมันก็ยังมีต้นเหตุอยู่อย่างไรมันจึงจะได้พ่น ก็พี่แกทำให้คุกตารางจเจริญกว้างขวางใหญ่โตไพศาลออกไปทุกทีทุกทีเสียงง่าประมาณแผ่นดินเสียข้าวเสียปลาไปเลี้ยงคนคุกมีทางเดียวทางดีและทางเดียวคือช่วยกันอบรมคนในชาติของเราให้มีนิสัยอย่างพะเวตสันดอนนี่ ไอ้มีเมตตาปานีมีสินมีทรรมต่อกันในคุกตารางมันจะได้ลงเหลงลงเดือนนี้จับไปเธอแน่นคุกแน่นตารางไปเลยทำอย่างไงพระสงฆ์องกเจ้า่วยกันเทศมากๆนะเรื่องพระเวสสันดรให้คนเข้าใจอย่างนี้เหนื่อยหนักกว่าภาคพรมีแรงกว่าวากันต่อไปเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเทศจนตายวันสุดท้ายเดินไปเทะไปลากเลือดไปด้วยนะนําเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวนี้เราได้แต่เพียงฝันไปเท่านั้นเพราะมัวฝังมหาชาติกันแต่ตอมหมอดทองประกาศเจนตัวสถาอาหาภีกะเวเพื่อให้มันสนุกสนานหาเงนินหาทองใส่กระเป๋าสร้างกุฏิวิหารใหญ่โตกันไปงั้น ไม่เห็นมีใครที่จะฟังเอาคติกันจริงๆเลยอย่างนี้ก็หวังจะไปสวรรค์กันมุ่งหน้าหลับตาตายไปให้เกิดทันยุคประศีอันละบางคนนะชอบหรือมติว่ากินเป็นเรื่องใหญ่ตายเป็นเรื่องกตางตะลางเป็นเรื่องเล็กว่ากันไปอย่างนั้นพูดไปเรื่อยๆแต่มันกลายเป็นความจริงบากง <ๆ S 2> คนบางพวกเขาเอาจริงๆมุ่งหน้าแต่จะกินคุกตะลางไม่วันนี่แหละท่านภัยมืดที่ปกคลุมจิตใจของเราช่วยกันนําพระเวสสันดอนออกส่องศาสขจัดมลทินในจิตใจของค น, คนให้ถูกวิธีเถิด ให้มันตรงตามจุดมุ่งหมายของคำพีร์เรื่องนี้เถอะปูฟังนิสัยการเสียสลาให้เกิดขึ้นในใจคนให้มากมายความเดือดร้อนจุ่งยากวุ่นวายความเสื่อมสลายทั้งหลายเนี่ยมันจะหมดไปเหมือนแสงสว่างมาแล้วความมืดก็จะหมดไปเองเพราะเวสันดรขอดเดเียงให้กษัตรสเจตาล่าเน้แนวทางที่จะเสด็จดำเนินไปให้ถึงเขาวงกดไม่ได้รบกวนอะไรมากเลยอันว่ากษัตริย์เจตาล่าเนี่ย อยงแม้พระเวสสันดรจะปิดประตูไมต่ตีไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้นก็าตามแต่ก็น่านิยมบูชานำ้ำใจยิ่งคนไม่เห็นแก่ตัวคนไม่เห็นแก่ได้อย่างพระเวสสันดร น, นี่ใครใคก็รักเละบูชาเมือนดังพลเมย์ยบรองสีเมืองนั่นนะแกหาเสียงมาล็อกก็ไก่เป็นคนใครใครก็รักก็กกบูชาคะแนนรวมทนไปนเลยเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยในราตรีนั่นเอง ได้สเสวยพระกระยาหารจากในร้วนในวังอย่างดีและก็ทรงสั่งให้พนัก ง, งานจัดแต่งศาลาปลูกม่านเวียนวงอย่างสวยงามตลอดทั้งแท่นทรงบันทม พระจงแต่งอย่างวิจิตรเมือนในวังยังไม่พอจัดดุริ ย, ยางโดนตรีมาขับกล่อมปลังเลงลุกขึ้นหลังจากนั้นถวายพระกระยาหารเกจีเกษัตริย์เสก็สัต เ, เชิญเสด็จจากนครเจตลาดโดยกระบวนประดับเปลียดอันยิ่งใหญ่สง่างามพอนำเสด็จมาถึงแดนป่า น, นอกนครหัวหน้ากษัตริย์เจตลาดก็ทรงชีบ้บรรยายแนั่แนวทางเสงี่ยที่ประเวสสันดรจะเสด็จผ่านไปมีความปรากฏไว้อย่าง ชัดเจนว่านน้นเขาหลูกโน้นเป็นอย่างนน้นอย่างนี้ยังไม่ขอมาเล่าไอ้ตรงนี้แล้วมันจะยืดเยื้อเสียเวลากันเปล่าเป็นว่าการ น, นี้เห็นจะต้องจบกันทีเมื่อพระเจ้าเจตตลาดได้มาส่งถึงแนวปลายรถลาไปไม่ได้แล้วก็เลยบอกทางให้เพอเวสซันดนรนเพเวสซันดรก็เดินทางต่อไป ในการนั้นเขาเล่ากันมากแหละถึงเรื่องราวต่างๆในป่าในเขาอยากที่จะหาดูได้มันช่วยมันงามเกสรรสเนรูดครูกลินกระจายระ บ, บายให้หอมฟุ้งไปทั่วบริเวณสัก์ะเป็นอย่างนั้นเป็นอาวาตตอนนี้ก็ต้องเดินป่าในขณะที่เดินป่าเดินภัยไปนี่เอง พระเวทสันดรเดินไปกับเมียกับลูกทั้งสองคนนั้นเดือดร้อนถึงสวรรค์ฉันดาว่าเดืงพระอินต้องให้วิชุกรรมลงมามาแต่งมาแปลงมาเนลมิตปราสาทให้แล้วก็เขียนสลากตุยไม้เนลมิตไส่เขียนสลากตุยไม้ผู้ใดมาทั้งเสร็มออเวน้นเขียนให้ต้องการใส่แมวใดถูกอย่างของดุนิชง้อมวนไหซสวนเขียนเป็นฉลากเอาไว้ก็ไม่ทราบว่าเขียนเป็นฉลากอะไร การนี้เฮนี้จะจ้องจบเสียทีสลัวเมื่อถึงเขาวงกวดสีกษัตริย์สลับเพศคารวาสบวชเป็นดาปดอาศัยศาลาที่เกิดจากเทวานุเคราะห์สองหลังแยกกันโจบสัญญากันว่าความสัมพันธ์ฉันโล ก, กีวิสัยต้องงดเว้นเด็กขาดคำแล้วห้ามไปมาหาสู่กันบือกันได้โจกับข่อยว่าสันมาที่ไอหนามือแรงก็คือจะไปหากันกอกแกกแดดเอ้ว่าสันหรืีโพกับเราหรืสีมเมรีดีไปะไหนว่าสัน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 ในตนของตนเห็นตนอยู่ตลอดเวลาเทวดาวนี้ก็คือเทวธรรมฮิริโอตปั ส, สัมปันาสุกธรมมาสมาหิตาสันส้นโตสปุริซาโลเกเดวาต ม, มาเดวุจเลเทวดาวในใจเราอายชั่วกลัวป่ามอย่างนี้เราจะต้องรู้จักเป็นอย่างนี้เสมอ อันเป็นแววในจิตใจนี้แหละคือเทวดามัทธีก็น้อมรับสัญญาและขออนุญาตล่วงหน้าว่ารุ่งขึ้นแล้วจะต้องเข้าป่าทุกวันเพื่อหาผลไมมันว่าเผือกหัวมันผลไม้อามาปนนิบัติลูกและพระเวสสันดรเมื่อตกลงกันแล้ววางหน้าที่ประจําวันกันแล้วกว็ทรงพาลูกแยกไปอยู่อีกอาสมหลังหนึ่งความตอนนี้ น่าสงสารมากเลยในกันพระนามัตถีได้แยกประโยชน์ศาลาอีกหลังหนึ่งเพราะว่าวิสุกรรมนั้นได้เนรมิตไว้สองหลังหลังหนึ่งเป็นของพระเวสสันดร อ, อีกหลังหนึ่งเป็นของนางมัทถีและก็แก้วกันหาชาเลซึ่งอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนั้น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 ดูกัทั้งเวลาทั้ง7 เ, เดือนอยู่ในนั้นน่ะเป็นเวลาที่ทรงมีปกติสุขวิสัยของนักพรตสิ้นความลงในการวันพระเวทเพียงแค่นี้วันพระเวทเราเรื่องชีวิตจะอยู่ในป่าในเขาเช้ามาพระนางก็แต่งอาหารพลหมากลากไม้ที่หาได้ให้ลูกกินส่วนหนึ่งก็เอามาจังหันถวายพระเวสสันดรหลังจากนั้นพระนางก็กลับไปกินเองกับลูกๆหลังจากนั้นก็แต่งไว้ส่วนหนึ่งให้ลูกแล้วก็บอกสอนชาลีอย่าดีน้องอย่าลังแกน้องนะลูกนะส่วนกนารหานั้นอย่าดื้ออย่าสนอย่า ไปห่างจากพี่ว่ากันเล่นกันงมนี้มงเงียมอยู่ใต้ล่มไม้ริมสะโบกกรณีอย่าไกลห่างอาสมบทของเสด็จพ่อนาลูกนะแม่จะรีบไปและจะรีบมาผนหมากไม้ตรงไหนที่อร่อยที่มันหวานที่สุดแม่จะนํามาให้ส่วนลูกทั้งสองก็เปโโล่าเปลมแม่จะแม่จ๋ไปแล้วรีบมานะแม่นะหนูจะรอคอยอย่างน้นอย่างนี้อย่าลืมเออลูกผลไม้ที่มันหวานหวานที่มันอร่อยลูกกระท้อนเออลูกพวก มากเมาหรือเสกมีมากที่สุดแล้วก็ขาดหนุนป่าพวกที่มีรถหวานที่สุดนะแม่นะอะไรนองนี่แหละความสุขตลอดเวลา เจ็ดเดือนที่อยู่ในป่านั้นมีแต่ความปกติสุขเหมือนกับสวรรค์เพราะความรักความเมตตาปานีสองพระเวสสันดรเป็นเทวาพานางมัตสีก็เป็นเทวีลูกเล็กๆทั้งกันหาชาลีก็เป็นเทพประบุเทพปฏิดาชูกันในป่าหิมวันตะบันพจ น, นเหมือนสวงสวรรค์กันนี้จบเพียงเท่านี้จอต่อจากนี้ไปก็ชูโชคกันชูโชคีนทั้งหมดมีเจ็ดสิบเก้าพระคาถา จะจุดเทียนเลยก็ได้ยังไงก็ตามเราพูดมาในบรรดายืดเยือจะเสียเวลามากก็จะขอเล่าเรื่องของชูโชคนีนเป็นคร่าวๆให้ฟังสะกอดว่าเหตุชูโชคนีนเป็นพราหมณ์ซึ่งเกิดในตระกูลโพวาธิกะนามสกุลของชูโชกนะนายชูโชกนามสกุลโพวาธิกะเกิดที่หมบานทุนวิททะแควนกาลิงคค่ะ ชูชกแกเป็นหลวงอีตาชีครกเกิดที่บ้านตุนวิทะแควงกะลิงข้านามตุกุลโพวาทิกะแกมีอาชีพเป็นคนขอทานคือพ่อแม่ของแกนั้นหมามีสมบัติพัฒสถานอะไรให้แกแกเลยชีวิตโชคชะตาได้หลบหน้าแกหนีตลอดเกิดมาก็เลยต้องขอทานจนตลอดขอทานไปทานมาเลยเป็นคนขี้เหนียวเลยเก็บเงินได้ร้อยกหาปันนะ นำไปฝากไว้กับสหายมีเพื่อนเป็นสหายที่ยากจนที่รักกันมามากตั้งแต่ก่อนนั้นจึงเอาไปฝากไว้กับเพื่อนคนนี้และตนเองก็เที่ยวขอต่อไปส่วนเพื่อนคนที่ยากจนนี่ก็นึกว่าชูชกมันตายไปแล้วมันไปไม่กลับมาเนี่ยก็เลยใช้เงินที่ชูชกฝากไว้จนหมดเปี่ยนเมื่อชูชกกลับมาทวงเงิน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 ในที่สุดเพื่อนรักเพื่อนแพงนี่ก็คิดว่าโอยมันตายไปแล้วว่าสันก็เลยใช้เงินนี่หมดเลยซื้อแปรงเครื่องแต่งเลือดแตร ง, งตัวเสื้อผ้าพอให้หลูกสาวคนสวยอมิตาตาซะเสร็จเกลี้ยงเรียบร้อยทีนี้เป็นยังไงชูชกก็โผลขึ้นมานึกว่าเทาขี้ห่าตายแล้วผัดเกิดมาได้บัดมาทวงเงินนะจูชกมาทวงเอาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้ฉันจําเป็นจะต้องใช้ชูชกโมโหุี่โต้ว่องเดินจะไปได้ของคืนจะไปฟ้องศาลแพงแใ่หัวหมอเสียด้วย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 เพราะว่าเขามอบลูกสาวให้เป็นเป็นข่าหนี้ที่เอาไปใช้ให้หมดในวาถึางนันเถอะนะเพราะ น, นี้นางนี่ก็เชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่ประพฤติปฏิบัติผัวดีผัวของเมียอุจักดีปันยังนางพามณีทั้งหลายไม่พอใจพากันด่าว่าเยอะยเยจนนางไม่สามารถออกจากบ้านไปทํางานชูชกรับจะไปหากันหาชาลีมาให้เป็นคนใช้หมายความว่า เราพูดอย่างรวบลัดที่สุดเมื่อชูชกมีเมียแล้วเนี่ยในกันนี้ท่าจะปริทัศน์ก็พอจะได้กว่าว่านางมิจตาตาเนี่เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ในเมื่อพ่อแม่ผิดพลาดพั้งไปไม่มีทางที่จะเลี้งเลี้ยงได้ถ้าชูชกไปฟ้องก็จะถูกเข้าคุกเข่าตารางจําเป็นต้องยกนางนี่ให้เป็นผู้คัดหนี้เป็นผู้ใช้หนี้แทนนางก็ยอมเพราะว่าความรักพ่อรักแม่ในคนสมัยโบราณมันเป็นอย่างนั้นท่านลูกสมายดีอย่างใดก็เอาท่านเด็กเจ้าเรียบุงคือผีนี่เจ้าจะได้ก็เอาเองต่แม่ เลยวสันหนีวินี้ก็ได้ได้บไดยูก็ได้ได้เือนวสันผู้บา ว, วส่นอึดผุนวสันก็เปิดอาลัดแต่นางได้ไม่อยากนั้นก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เอาไปยังปนนีบบตรไม่ให้ชอกช้ำและกรรกลมเคืินจนชูชกพอใจมากเลยถอดหัวใจเหี่ยวเียวบูชาไยต่งแก่ๆหอนเป็นหอนแดงแก่ขึ้นมาเลย ทีนี่จนผู้ชายทั้งหลายอิจฉาตาล้อนดาลูกดาเมียไปจังใดมึงคือโบเหตุคือมีตาตานี้เบิ่งหัวมันคือสรางผีมันคือเห็ดน้าดีแต่แบบกูไม่ได้เ่เเเาปันัองกูไดเห็ดดีแท้เฮ็ดเวียกเห็ดงานว่าสันบ้านนี้ก็ดาเมียบ้านโน้นก็ดาพวกผู้หญิงทั้งหลายไปตักน้าก็คุยกันเป็นยังได้ัวโตขมือเนี่ยว้า บ่อยากวอกบ่อยากเปลาจ้าแมนมันบอเป็นอาวม่าจากไม่คาดเดียวหน่อยนั่มออกดาเศร้าดาแรงออกปากอ้างแต่อีมิตตาเป็นดีแท้เท่เฮ็ดน้ำพัวมันของเจ้าเป็นอย่งไดรคือกันคือกันว่าแล้วบ่จยักเมื่อเฮื่อนบ่อักเห็นหนามันว่าน้ำโลกน้ำพัวเนี่ออกปากอ้างแต่อีมิตตาในที่สุดพวกนางพมณีทั้งหลายก็รวมหัวกับมันเป็นน้ำกี่นี่ละแต่กี่ยังบ่เป็นจังสีว่าฉันพ่ออีดีมากก็เลยเป็นดั่นี่เขาก็เลยรอนางอามิตตาซึ่งนางมาตักน้ำน่ะ ก็เลยมารุมดาหมดทางไปแล้วหรือพ่อแม่กองยากจนไม่มีทางหลีกทางเลี่ยงโอ้ยผู้ย์ไสได้หลกหลายต่อหลายมึงสมาเอาปักเทากี่หาให้ปานยักปานผีทเทาก็ใเฮ็ดจังได้วาตนาของขอยท่านมาลา ด, ดวงหอมดอกก็ย่อมยาบแหลกท่านมาลา ด, ดวงแห้ง อามิตาแต่ศาสตร์ก่อนบุญเลยร้อนขาดได้พั่มเ่าะการนองเลื่อนเป็นบุญคอยวาสนาขคอยค อ, อยก็เลยเป็นอย่งสี่แล้วพอแม่ยางฉนว่้ยกูอยา ก, อยยกยองเอาเด็กวัฒนจะเองสร้างมึนโน่นก็ดา่าเชาวด่าย็นด่าไปดามาไม่พอบางคนรุนแรงจริงกว่านั้นกำลังตักน้ำเพื่อนด่าก็เดินโยกโ ย, ยกไปไม่คานไต้หัวนี่จะเป็นมึงสัวไหลเนาะวัฒนยังหนุ่มยังสาวอยู่มึงสงร้างมาไปหาผู้ดีๆวัฒน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 ชูชกเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้นางนี้ร้องคขมร้องไห้ชูชกก็บอกว่าอยู่ไม่ได้ถ้าหากถ้าหากว่าพี่ไม่ไปหาคนใช้มาให้นี่ฉันจะหนีแน่แนฉันไม่อยู่หรอกว่าอย่างนี้ฉันบอหามาให้กูสิดีมืออื่นตื่นมือเศ้าสิเมื่อบานก่อนง่ายกว่าสันเดะ ว, ว้าอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่พอใจที่จะอยู่กูสิไปหา คนอื่นนุ้นมาจอดว่าจะอยู่ด้มึงได้บักเข่าฉันพูดอย่างดีหัวใจชูโจกมันล่วงไปอยู่ใต้นุ่นเนี่ยตาตุ่มนุ่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อกี้อาดมาพูดแล้วว่ามือที่สร้างประวัติศาสตร์นั้นคือมือนิ่มๆ น, น, นี่เองชูชกกลัวแก่เกือบตายแต่กไ็ไม่ไม่ไม่กลัวเลยเมื่อกลัวอำนาจของเมีย มันเป็นอย่างนั้นขันบวชามาใหา้กูสินี้มืออื่นตื่นมือเศร้าสิเมื่อบานก่อนง่ายวะท่านกูสิไปหาเล่นตะโ ง, งนใต้ตส้มเบาวไปหาเบาวสำนอยเอามาสอนสอนตันเด็กวะท่านมือบริขดได้กหยาบเพราะหน่อยได้ว่าสันมันเป็นอย่างวะท่านชูโจกได้ยินจรงเลนู้นโอ้ยวะท่นการที่หาคนใสน่หาเขาอย่างยากอก้วนพี่หางเดียวหยอกหนอ ง, องล่องเหล็นเบิงกระ บ, บวนซืรอือดอกหน้าวะท่านความจริงดีชูโจกกลัวเกือบตายเพราะในกัน ที่เล่าไว้ในน่ากลัวมากชูชกในที่จุก็เลยจําเป็นต้นองไปคอการที่ไปขอนี่ก็เลยไปผ่านป่าไม้นี่ฮะจุลพลแล้วก็เข้าสูกมหาผลจุลละแปลว่าน้อยพระน่าไว่าป่ามหาไปว่าใหญ่พนะน่าไปว่าป่าเรื่องป่าน้อยป่าใหญ่เรื่องของเรื่องก็เป็นอย่างนี้ชูชกก็เลยเดินทางให้เมีอันนี้แต่งอาหารวานขาวอะไรต่างๆใส่กระ บ, บอกกระ บ, บงังให้พวก อาหารที่เตรียมที่จะเดินทางเนี่ยของกินดาวเดินดงให้ดาแดงทั้งเข่าแห่งซานเจ้าแจ่ของวัสทั้งเข่าแห่งซานเจ้าแจ้วบ้องบอกให้เมีย ก, ก, กัปทังกบกดกุ๊บเก๋งกันน้ำหนังเกิ๋อภาาสฟุงหมูปลาแดกบังบอง จ, จํำเจวเกลือบอกเมีย <c oughs> ว่าเป็นภาษาเราอย่างนี้คนเวนลานั้งเขียนว่าอย่างนี้ความจริงจูในเรื่องนี้เกิดที่ประเทศอินเดียของบอกินปลาแดกบองด๋อคนอินเดียเขากินโรตีนูน้นแต่ขเขาเขียนกันอย่างนี้สูุโจบว่กกับทั้งกดกดไอ้กดที่สําหรับขี้ว่านอนนะกับทั้งกดกุ๊บเก๋งกันน้ำหนังเก๋อฟุงหมูปลาแดกบั ง, บ, งบอง จ, จําเจวเกลือ อันว่าคือคิงแห่งกินดนยาประมาทเมื่อนั่นนั่งหนาดหน่อยดาดตอนแต่งพอ่อมั่นจิงยอ่อมาให้พวัวตนตามเหตุเทาโหถ่ายเห็นแล้วอุ่นใจแั่คนโราณเท่กันอย่างเงี้ยแล้วก็สั่งลามีย่คิดทอดเมียหลายแท้แท้โซกากำ ไือนแหมป้าเท่าปวงบ่าแลนองลำเลืง้งพ่อจะกืนเขาไปในห้องกินเขาไปในตาจนแล้วสั่งเมียขั้นไส้ได้ได้ดันมาจาจงเฮีย้ยวันน้องยัไใดกาวตานลวนลึงบอดีพีเล้วให้น้องนอนในห้องมันจะไปปองไปเที่ยวไส้ได้มากกาวเตี้ยวไส้ได้มากเกี่ยวตานกบาลขอนไฟหวัวเอาโหลดเดอ้อดาเผินห้องเมียให้เวียนอนถ่าฟันยืน่นผู้เดม า, าอกน้ำาขอนดึงหวัวมันโหลดสันเต้า <c oughs> <c oughs> สุกปีนอพระพุทธเจ้าท่า น, นบอก คนทุกคนแก่ได้เมียสาวนิทุกคนจนกลับไปได้พบอาหารหวานขาวมากๆกกําผ้าจวบนมคนแก่ได้เมียสาวชิโตปปะเทศะอย่างนี้คนจนสากได้ขี่ให้สากมีนี่มีด้เรื่องทุกรางนันเป็นบอกกินลายบบย่อยนี่ก็ถูกตายเฉิมเสือทีช่ชูเจ้าก็เหมือนกัน สังโลูกสั่งเมียเว้ยให้เจ้านอนข้องถาซ่อมพี่สสสสไส้กับตาวศร้ายอไส้ได้มาก่าวต่าดกับบานขอนใส่หัวเอาหลดนเด้อจะไดี๋ยวกเก่งอยาดทักษาตัวตามเห็บขั้นพี่กับเตาวบานสิไปฟ้องต่อกวนเทีย่ยวประชันพอต้องงานตีมันตายหัวแตกหลดนพีสิไปฟ้องเองขันกลับมาว่าเฉนเดชูชกกนเลยต้องไปในขณะที่ไปนี่ก็ต้องไปพานพวกพานนายพานเจตบุตร ความจริงเราพูดเลยมาหน่อยนะในตัวจุลชกนี่เดี๋ยวนี้เราเข้าจุลพลแล้วสามสิบ้าคาถาจะเลยเข้าไปมหาพลไอ้ในจุลพลนี่จนป่านน้อยนี่ก็ไปพบกับนายพานเจตบตุตรให้นายพานเจตบุตรนี้เป็นนายพานที่หา พ, พระพานพระเจ้าเจตตลาด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 าพามที่จะมาจากเมืองกะลิงกะลาดทุกอย่างจะมาขอลูกขอเมียเพื่อนของฉันในใจมุ้ยยิ่งกว่ามาหาสมุทรใครมาขออะไรให้หมดแต่มันจะเดือดร้อนลูกยังน้อยเมียยังสาวจะพากันเดือดร้อนตกทุกได้ยากคนนาใจอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระเวสสันดรใครมาขอก็จะให้หมดท่ายอย่างนั้นเธอจงรักษาเห็นาพามมาี่ทําดูไม่ดีไม่งามทาท่าบอกว่าจะไปหาพระเวสสันดนออรเขาบอกจะฆ่าหัวมันทิ้งเลยีิ แล้วยังไม่พอก็เลยเดินไปอีกใกล้ๆนู่นที่ในตอนป่ามหาผลก็ไปพบอาจุตตะลือศีหรือสีฟันเคลร์ขี่แขวปานปนประดุกบนหลังจกักเ <c oughs> ถ้าในพระไตรปิโทว่าลือีฟันเคละว่าเงียบ แล้วก็ไปสั่งว่าท่านพูดส่งสินลึกเข้าไปนี่ที่เขาวงกดพระเวทตั้งนอนมาบวชเป็นฤาษีสละประราชสมบัติถูกไห่มาจากศรีพีเฉดทุดดอนมีมีมีลูกมาด้วยเมียก็บวชเป็นฤาษีนี้ลูกอีกตัวเล็กๆแต่เห็นผู้ใดผ่านมานี่ยอย่าบอกเส้นทางให้ประว่าน้ำใจของท่านเหมือนมหาสมุทรเดี๋ยวเขาจะมาขอเอาลูกเดี๋ยวเขาจะมาขอเอาเมียลูกเมียก็จะลําบากสงสารท่านจะบอกทางให้นะฤาษีบอกโอ้ดีแล่วอาตมาจะคอยดูแลเป็นหู ตาสงสารโอเคก็เลยตั้งด่านไว้ให้ชูโชคีนไม่เดินเข้าเมืองของสีผีเชิตุรดเลยออกจากกะลิงกรลานลัดทางบาทเดียวทั่วออกไปผลเลยเข้าไปที่เมืองเข้าไปที่ป่าฮิมวันตะบันพนเลยจะเข้าไปที่โ น, น่นสีผีจะเข้าไปที่วงกดเลยเพราะว่าแกรู้จักดีแกไปเที่ยวขอทางโ น, น้นทางนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้พอ ผ่านไปในชาวสีพีเขารู้เขาไล่ฆ่าไล่ตีในะจูุ๊กเนี่ยแกก็รัดเลยก็ไม่ได้สนใจทั้งนั้นก็ไปทางลัดเลยในที่สุดก็เลยผ่านไปในป่า น, นั่นก็ไปถึงบัดจุลพลก็เลยไปพบกับนายพานนายพานเจตบุตรหมาเห่าเลยก็เลี้ยงหมาไว้หลายตัวฟันงงเลยไลยก่กับจู๊จุ๊กู๊จุ๊กก็วิ่งขึ้นยอดไม้เลยร้องอยู่ว่าว่าว่านีน่นายพานเจตบุตรก็ ว, วิ่งไปเห็นก็โกงหน่าจะยิ่งหัว ว้าวชักเล้ยวทมึงที่จะมาขอลูกขอเมียพระเวสสันดรกูลูกมึงจะไปไหนตอนนี้ชูโตกลัวตายที่สุดเลยเธอนี่กำกูแทะมาตายกลางป่าผนายเวยจาเน่าหองแห่งดายีเทนอเอิญหาพระเวสสันดรอยา่างง่ายพระเวสสันดรช่วยแต่บรรยังไกลเหลือเกินเมื่อนันเจตบุตรเจา้าผููผ่านไพ่ฟั่งภากม้าเฮาห่าหมเสียงหองเมนขนเทเดวท่าน ตอนนั้นแกยังไม่เห็นนายพานเจตบทีมาไล่แกวิ่งขึ้นไปลายไม้แล้วก็ร้องหาพระเวสสันดร อ, อยากให้พระเวสสันดรมาช่วยแต่โอ้โหมันยังไกลกันอีกหลายขุนเขานายพานเจตบดแกรูก้อุนี่มันเสียงคนในว่าวิ่งไปเห็นก็ขึนนาไม่เลยแวซยิงหัวมันแท่แท้เลย เมื่อนั่นพานไถ้ขึ้นท่านูสอนเกาโปงลู่าผาดไหวเล่งแล้วสีลันไกอันนี้ธรรมาชาเชียวคนขอมอดขอทานแต่แล้วคนเดียวเดินเสืบสแสวงหาเจ้ายิงหัวมันคัดบาทนี้วสันมันมาเป็นฟืนผือหมอเดีมันต้องไปหาขอวสันเนี่ยชูตีนายพานเจตเจตบุตรแก๊กเข้าใจอย่างนั้น มันจะมาขอเอาหน่อยทั้งสีสองอ่อนกับทั้งพาแม่เจา้าหน้าเงาบอสองแทยแล้ววาทัน้าเป็นกูยิ่งมันขาตายสูญเสียสาดเปแล้วยั่งบาหัวเหตุกรรมการเถาเทียวดงอันว่าการได้แทะเป็นขุนทั้งทนดลีส่วยให้ทมเถาจึงขึ้นวะทนเขินผ่านหน้าแล้วก็ถามึงไฟป็อย่างวะทันกัแถวใส่กููบอกมาตรงตงวะน S 1> <S 1> ย้ายสูโตกแดดตายเจ๊กมีสติปัญญาโดยชูโตกก็บอกว่าไว้วะสันเจ้าเอาหนานลงทําแม่ยิ่งค่อยตายแล้วเจ้าเป็นพอด๋อยก่อยมาจากสีพีเชก ต, ตุรนุนปัญญาบรมสีสนไสส่งก่อยมาบ่นขึ้นข้อนลูกพันว่าสันเพื่ขอขึ้นข้อนลูกเพื่อนในข่อยมาตามกับตัวนี่เห็นบ่อสารนี่ว่าสันเอาบังประแด็บบอกมาให้เบ่งไม่จิอ่านได้บพราะเรคนปลาอ่านหนังสืออะไรบอลนี่เลเี้ยวมันขัไกไหลก็เลยถูกชูชกต้ม ว่าวว่าเพลินคือห่อลูกเพลินตัวคือลูกเจ้าพ่อยผักเกี๊ยะละไก่ว่าเสื้เสื้อผู้ท่อนเต่าขึ้นเมื่อหอกกับทั้งสามกระสักเจ้าขึ้นคล้องสวยหลาดบะหนีผาบาทเจ้าให้เข้าในเสื้อเ ส, สื้อเทเดีว่าสันย้อยย่าิเดียวจนก็เลยเอาหน้าลงเนี่ย